28มิถุนายมพศ2539เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตตนิกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัาทางสาธุชณสุขเทครัโลยีช่วงนี้เป็นการบรรยายพระสูตรจากพระไตรปิฎกพระสูตรที่ได้อธิบายจบไปแล้ว ามาถึงสูตรที่ห้าจุดสี่ที่จะอธิบายต่อวันนี้สำหรับสูตรที่ห้าจุดสี่ที่มีชื่อว่าโลกกันนิโรธสูตรสูตรนี้เนื้อความทั้งหมดเหมือนกันกันกบสูตรสูตรก่อนคือสี่จุดสามที่มีชื่อว่าทุกข์กนนิโรธสูตรทุกก็ดีโลกก็ดีเป็นไวพศ คือมีความหมายเหมือนกันต่างกันที่คำพูดเท่านั้นทุกหมายถึงสังสารทุกขได้แก่นามรูปและคำว่าโลกอย่างที่พรพุทธเจ้าทรงตรัสว่าที่เรียกว่าโลกโลกนั้นคืออะไรก็ตรัสว่าตาก็เป็นโลกหูเป็นโลกจมูกเป็นโลกก็ได้ความว่านามรูปนั่นแหละเรียกว่าเป็นโลกและตรัสว่านามรูปหรืออัตภาพนี้เป็นของศูนย์ คือไม่ใช่ตัวตนตรัสเรียกว่าโลกศูนย์โลกศูนย์นามรูปว่างเปล่าจากความเป็นตนและว่างเปล่าจากความเป็นของตนเนื้อความของสูตรนี้จึงไม่ต้องอธิบายความหมายโดยละเอียดกันอีกต่อไป อ, อยากจะให้ดูรูปสับสนิดหนึ่งว่าทุกเนี่ยเราเคยได้ยินว่าแปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จึเป็นของที่ต้องเปลี่ยนแปลงและคาว่าโลก ในรูปของปัญญชนะนั้นแปลว่าของที่แตกทำลายของที่น่าดังนั้นโลกกับทุกแม้โดยปัญญชนะก็มีความหมายเป็นอันเดียวกันหมายถึงสิ่งที่แตกทำลายหมายถึงสิ่งที่ที่น่าอันหนึ่งและโลกเป็นของศูนย์ทุ ก, ก็เป็นของไม่ใช่ตัวตนคำว่าทุกเนี่ยบางทีพูดแล้วยึงหมายถึงสิ่งที่เป็นอนัตตา ในปฏิจะันในอริยสัจสี่นี่จึงพูดเฉพาะชื่อสูตรเท่านั้นมาดูอีกสูตรหนึ่งที่จะอธิบายโดยเนื้อหาพระสูตรที่กล่าวถึงนี้เป็นสูตร 5.5 มีชื่อว่ายาติกาสูตรตามชื่อนั้นแปลว่าหมู่ญาติกานั้นแปลว่าหมู่ยาติก็คือญาติญาติหมายถึงญาติพี่น้อง โดยเนื้อหานั้นว่าด้วยเรื่องทุกขสูตรไทยและทุกขนิโรธบรรยายเป็นอาธิป ร, รมจ ร, รมัมคือถ้าพูดเป็นอย่างสัส้นเรียกว่าธรรมะบรรยายธรรมะบรรยายอันเป็นอาธิปรมจรัมเนื่องจากว่าเนื้อหาของธรรมะบรรยายในสูตรนี้กล่าวถึงเรื่องทุกเหตุให้เกิดทุกแล้วก็ความดับทุก จึงแปลแบบให้ความหมายหน่อยว่าธรรมบรรยายหมายถึงเหตุเกิดแห่งทุกข์แล้วก็ความดับทุกข์นั่นเองเป็นอาทิพรมจันทร์สูตรนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เนื่องจากว่ามีคําว่าอาธิพรมจันทร์เข้ามาในตอนท้ายของสูตรนั่นเองจึงตั้งใจอยากแก้พูดลําดับความถึงเรื่องอเบื้องต้นพื้นฐานของความเจริญในธรรมการปฏิบัติธรรม ให้ครบกระบวนความในส่วนหลักสาคัญผมอ่านเนื้อความของสูตรนี้ก่อนสูตรนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยหนึ่งพระผู้มีพรภาคประทับอยู่ที่คิชกาวาสถาปาศาต์คิชกาวาสถาแปลว่าเรือนที่ก่อด้วยอิดเรือนที่ก่อด้วยอิดไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกในอินเดีย ในอินเดียนั้นเขาก่อเรือนได้ยิดกรามา น, านแม้สมัยนี้แม้ในสมัยพุทธกาลวัดทั้งวัดเช่นวัดประเชตวันเราก็จะเห็นว่าก่อได้อิดทั้งนั้นแต่ว่าสถานที่ที่พุทธเจ้าพักอยู่เนี่ยบางครั้งก็ทรงพักอยู่ตามป่าตามเรือนที่สร้างด้วยวัสดุอย่างอื่นเพราะเหตุนั้นที่ใดเป็นที่ที่ มีพื้นฐานหรือลักษณะทั่วไปของสิ่งก่อสร้างเป็นอย่างอื่นแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างที่ทํำด้วยอีกปรากฏเป็นของแปลกตาก็มักจะเรียกว่าพะผู้มีอภาจประทับอยู่ที่เรือนที่ก่อด้วยอิฐใช้คําว่าประสาทไม่แปลว่าเป็นเรือนชั้นคือไม่ใช่ชั้นเดียวการก่อสร้างที่มากกว่าหนึ่งชั้นจะเรียกว่าประสาท และปราสาทใดที่มียอดแหลมจะเรียกว่ากูดาคารและปราสาทใดที่มีชายยื่นจะเรียกว่าวิหารวิหารคือชายยื่นลักษณะเป็นลักษณะการก่อสร้างนิดหนึ่งที่ประทับในขณะนี้ท่านบอกว่าอยู่ใกล้บ้านพระยาศ พระญาติหมายถึงภาพประยุรญาติของบุติยาทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ไม่ทราบว่าตำแหน่งตรงนี้นะ่ะอยู่ที่ไหนไม่ใช่นิโคราธาลามจะเป็นที่ใดที่หนึ่งที่อยู่บริเวณพระญาตข้างประนางพิมพาซึ่งก็เป็นเป็นญาติของบูติยานั่นเองนะเป็นพวกวงเดียวกันแต่เดิมนั่นแหละ แล้วก็อีพระญาติข้างพระพุทธเจ้าเองซึ่งมีแม่น้ําโลหินีขวางอยู่ก็อาจจะอยู่ใกล้อแม่น้ําโลหินีหรือว่าอาจจะเป็นว่าพระญาติที่ไปปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่ใกล้กับพระญาติอีกที่หนึ่งในฝั่งในเขตของอีกวายหนึ่งแลพระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จไปพํานักพักอยู่ที่นั่นก็ได้ ณที่นั้นเองครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในที่ลับทรงเล้นอยู่ได้ตรัสธรรมปริยายนี้ว่าคำว่าประทับอยู่ในที่เล่นเนี่ยคือพระองค์ได้ทรงประทับอยู่ที่คิดชะกาวสถานนั่นแหละแต่เป็นการประทับหลีกเล่นไม่ได้ออกไปเล่นที่อื่น ที่เรารู้อย่างนี้ก็เพราะว่าเหตุการณ์นั้นบอกชัดเจนอยู่ในสูตรนี้นะโดยลําดับต่อไปอสูตรนี้นะ่ะนับว่าเป็นสูตรแปลกเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงทําอะไรบางอย่างที่เราควรจะถือเป็นหลักฐานพิจารณาอทําอะไรบางอย่างนั้นก็คือว่าปกติการอยู่หลี่เล่นเนี่ยจะอยู่กรรมฐานหรือถ้า มีคู่สนทนามันที่อยู่องค์เดียวแต่ว่าท่านติดต่อทางจิตทางตาทิพย์ก็สนทนากันทางจิตอย่างกรณีพระพุทธเจา้ากับบุติกัพระโมคคัลลานะแต่ว่าถ้าอยู่พระองค์เดียวอยู่คนเดียวก็จะถ้าไม่เข้ากรรมฐานก็พิจารณาปัจเจเวกถึงสามในศูนย์นี้นะ่ะประหลาดว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงปัจเจเวกถึงปฏิจจสมปุปบาท พิจนาปฏิจารสมุบายซึ่งการพิจารณาปฏิจารนั้นเราเคยได้ยินว่าทรงพิจารณาเมื่อครั้งตัสรู้ใหม่ๆและพิจารณาเมื่อก่อนตัสรู้พิจานาจนเลื่อนขึ้นไปสู่ของการปฏิบัติวิปัสนาคำถานและตัสรู้ก็พิจรณาตัสรู้แล้วก็พิจารณาและการอื่นจากนั้นก็ทรงพิจานาเป็นครั้งครั้งเป็นคราวเป็นความคิดเป็นพาสุกวิหารธรรมของคนที่มีธรรมะที่กะจายธรรมะเนี่ย ไม่มีอะไรที่จะน่าคิดของเราก็อาจจะคิดถึงคนคิดถึงอะไรอะไรที่เราอยากจะคิดแล้วเป็นความสุขของเราธรรมดาโลกแต่คนที่มีธรรมะเนี่ยการคิดที่ให้ความสุขได้มากคือการพิจารณาธรรมพระพุทธเจ้าเองก็ทรงพริจารณาแม้ภาษาวกองคอื่นก็พิจารณาการ น, นี้เมื่อพิจารณาแล้วเกิดความแจ่มแจ้งในธรรมก็ทรงสวดสาธยายบางครั้งเนี่ยสวดสาธยายแล้วก็พิจารณาตา่าง สวดแล้วพิจารณาที่หลังก็มีตจำได้ทั้งสองแบบถ้าเป็นว่าพิจารณาแล้วสวดเนี่ยจะสวดด้วยความรู้สึกปีติเกิดความรู้สึกปีติในธรรมนั้นเราจรึงเห็นได้ว่าการสวดมนต์อย่างของเราเนี่ยจะมีเป็นสองแบบแบบหนึ่งคือสวดสะดุดีธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือสวด พิทเพื่อพิจารณาธรรมะใช่ไหมหนังสือเกิดมนเนี่ยถ้าสวาก้าโตสวดสะดุดีธรรมะถ้าว่าเอวเมตุตังเอกังสมัยยางสวดเมตตากรณีย์สวดโพชฌงส์สวดอะไรอะไรเนี่ยสวดเพื่อพิจารณาธรรมแต่ที่เรามาสวดกันในนี้เราก็พิจารณาไม่ออกมั่แปลไม่ออกก็เลยสวดเอา เอาสมาธิเอาพลังทำเอาเคล็ดธรรมะในเชิงคาถาอาคมอไะไรเป็นลักษณะอย่างนั้นถึงขนาดว่าเคยมีคนบอกผมเมื่อสมัยก่อนว่ายอย่าเชื่อไปรู้ความหมายของบทสวดเจนะไม่งั้นสวดแล้วไม่ขึ้นไม่ขึ้นในเะรื่องลืไม่ขลังแล้วไม่ได้สมาธิพ่อโมต่ไปนั่งคิดความหมายธรรมะอยู่เพรางั้นซึ่งที่จริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นไอ้สวดอย่างนั้นก็เป็นความมุ่งหมายอันหนึง่งแต่ได้ประโยชน์น้อยกว่า น้อยกว่าการสวดอย่างได้ความหมายก็ได้คางความหมายเนี่ยได้ปัญญาได้สาระของธรรมะมากกว่าการเอาไปใช้ในทางขลังใช้ในทางหลังนี่ถือว่าไม่ได้สาระในธรรมะโดยตรงแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะอย่างเช่นพราสวดกรณีแม่ตะสูดเนี้ยสวดเพื่อใช้ในทางขลังก็คือเพื่อไม่ให้เกิดภยัยแล้วก็จะได้เป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานที่จะทาอะไรต่อไปได้สะดวก อย่างนั้นก็เรียกว่าใช้ให้มันถูกจังหวะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่านั่นคือจุดจบหรือความหมายโดยสมบูรณ์โดยตรงของการสวดมนต์ใ น, นเรื่องสวดมนต์เนี่ยใครชอบใจสูตรไหนสวดสูตรนั้นให้มากๆใครใช้ธรรมะในเรื่องอะไรให้สวดสูตรนั้นให้มากๆเวลาที่เรามีความทุกข์ในชีวิตมีภยัยพิบัติในชีวิตเกิดขึ้นเนี่ย ผมเคยสวดโลกธรรมมาสวดเมื่อนานแล้วยี่สิบปีแล้วเกือบแล้วไม่ถึงเต็มไม่ถึงก็ดีสวดอยู่เป็นนาจินสวดในใจเป็นสวบนระไทยเนี่ยครับสวดแล้วก็ดูดซับรสชาติของธรรมะให้มากๆบำรุงกำลังใจได้ดีแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดเสกให้มันเป็นเรื่องของการบำบัดปัดเป่านะะคือสวดเพื่อรักษาจิตใจและได้ประโยชน์มาก ได้ความมั่นใจในธรรมะได้แล้วยังเหลือที่จะกล่าวเลยอันนี้ที่พระพุทธเจ้าเวลาสวดเนี่ยถ้าพูดถึงเดี๋ยวนี้ถามว่าสวดให้ใครฟังนี่ยังไม่พูดถึงว่าสวดนะพูดถึงอย่างพระ ส, สวดสวดให้ใครฟังพระสวดให้ตัวเองฟังบ้างเปล่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราก็เลยเลยขอฟังผสมไปกโยมิมนต พอนายโยนี่มนพระก็สวดนะที่จะอยากฟังไม่อยากฟังก็ต้องฟังะ่ะเพราะว่าออกมาจากจากปากของพระตันเองนะก็เลยเวลาเราดิมนพระในฐันบอกสวดมนด้วยเนี่ยเราต้องการให้พระสวดให้เราฟังใช่ไหมพระก็ไปเพื่อที่จะสวดให้คนอื่นฟังผมพูดธรรมะนี่ผมพูดให้ใครฟังผมพูดในตัวผมฟังไปก็ไม่ใช่เป็นตัวออกมนาะถ้าพูดให้ฟังผมไม่ต้องมาหรอก ผมก็พูดรวมอยู่ที่บ้านนั่นแหละแต่ขืนพูดเองนะใครไปได้ยินข้าวคงเลิกนีมนตให้พูดให้มาพูดเลยหาว่าบ้าไปจะแล้วมันไอเรื่องบ้าๆเรื่องคนเรื่องพฤติกรรมคนบ้าก็เรื่องคนประพฤติทำในบางทีมันคล้ายกันบางอย่างผมว่านะอย่างอย่างเนี้ยถ้าเราผ่านกุฏิเราได้ยินข้าสวดมนต์เราว่าบ้าไหมอ้าวทาไมล่ะแล้วถ้าเดินผ่านบ้านเราได้ยินสวดมนต์เราว่าบ้าไหม เราชักมาไกลแนงเว้ยของเรานี่ไม่ไม่น่าสวจใช่ไหมมันตรวจ ว, ว่ะแต่ก็โดยมากเรารู้เรารู้ทำเนียมของคนพุทธว่าเขาทำกันอย่างนี้แต่ถ้าพอหลังมาได้ยินเข้าไม่แนงเขอาจจะคิดไปอย่างว่าบอกของเขาเนาะบอกของเขาอาจจะไม่ได้ส่งไม่ได้ตวดอะไรอย่างเรานี่สําหรับพวกที่ไม่ไม่มีทำเนียมอย่างนี้ดังนั้นการสวดสมัยก่อนเนี่ย เชื่อไหมครับว่าท่านสวดเองฟังเองอาการสวดเนี่ยเป็นการสวดเพื่อให้ธรรมะแกตัวเองไม่ใช่สวดเป็นประเพณีเป็นประเพณีนี่มีถือว่าเล็กน้อยอย่างปฏิโมกปฏิโมกอะไรอย่างนี้นะหรือว่าเพื่อผลทางขังอะไรก็มีเหมือนกันแต่ส่วนมากท่านจะสวดเอาสาระของธรรมะ และสวดให้ตัวเองฟังการสวดมนต์จึงเป็นวิมุตตาจตนะเป็นแดนเกิดของความหลุดพ้นเป็นที่มางความหลุดพ้นได้อันหนึ่งแล้วก็พูดบางทีก็พูดซ้ำๆอยู่เงินเ้าเคยเล่าในประวัดิ่าสตแล้วอยู่ตามป่าตามเขาเล้น ะ, ะจึงทำกันอย่างนั้นเป็นส่วนมากเดี๋ยวนี้ เอถ้าเราสวดมนต์ที่บ้านเราคนเดียวเช้าเชเนี่ยเราสวดเพื่อมุ่งไม่ได้มุ่งฟังแต่มุ่งเอาสมาที่ใช่ไหมไม่ได้มุ่งเพราะธรรมะนี่แปลว่าอะไรหรือสวดแล้วบางคนสวดอาหารหันแปลทิศจนบัดเนียงแปลไม่ออกสักตัวหมายความว่าไงนะอาหารหันแปลทิศแต่ได้จะบอกว่าสวดแล้วใจสบายดีส ง, งบดีก็สวดอยู่ทีนี้เมื่อ สวดเนี่ยพระพุทธเจ้าที่ทรงสวดไม่ได้สวดเพื่อจะให้ใครฟังทรงสวดเพื่อเป็นพาสุภิญลาธรรมอันสืบเพื่อมาจากการพิจนารณาธรรมแต่บังเอิญนะครับมีคนมาแอบได้ยินครับทำอธินาฐานหรือเปล่าเสียมารยาทไหม นี่ถ้าเป็นศาสนาพราหมณ์นี่ไม่ได้นะไปแอบฟังมนเขานี่ยเขาเอาอะไรจิ้มหูเอาเลยทีเดียวแี่ยเอามนก็ไปสวดแล้วก็เอามีดตัดลิ้นจริงเลยทีเดียวแหละแต่ของเราไม่อย่างนั้นเราอยากจะให้ฟังอย่างพระท่านสวดงานศพโยก็ไม่ได้ฟังหรอกสวดแข่งกับพลระพลระสวดมนโยมสวดอะไรก็ไม่รู้สวดเรื่องอื่น หลายวงเลยไปนั่งคุยกันอยู่ตามวัดเพราะไม่รู้เรื่องนะะถ้ารู้เรื่องก็ฟังแล้วก็มีรสชาติอย่างเราเรียนธรรมะเราฟังรู้เรื่องฟังแล้วก็พิจารณาไปด้วยได้สติปัญญาได้ความรู้สึกดีกว่าธรรมดามากทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรรมปริยาย เ, เดี๋ยวผมจะพูดธรรมาปริยายที่หลังนะว่า เพราะอาศัยจักรสูและรูปจึงเกิดจากตัวิญญาณความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาตัณาเป็นปัจจัยจึงเกิดอูปาทานเลื่อยไปจนกระทั่งถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้อันนี้ก็เนื้อความเหมือนสูตรที่แล้วที่ผมอธิบายแล้วแล้วก็ทรงตรัส ในสายนิโรทวาระสืบต่อไปว่าก็อาศัยจากสุรูปจึงเกิดจากสุวิญญาณความประชุมพร้อมแห่งธรรมรามประการเป็นปัสสาวะเพราะปัสสาวเป็นไปัจจัึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดปัญหาในี่ถ้าแค่นี้ก็เป็นสมุทัยแต่ปรัดต่อไปเพราะไอ้เกิดเนี่มันเกิดมันเกิดอยู่แล้วมีอยู่แล้วโดยธรรมดาเมื่อจะลักเนี่ก็รักจากความมีธรรมดาอย่างนี้อยู่แล้ว ภาคละว่าเพราะตันหานั้นเทียวดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลืออุปาทานจึงดับเพราะความดับแย่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ในคำว่าเพราะตันหาดับเนี่ยก็คือดับท่านหมายเอาขั้นเบื้องต้นก็ตั้งแต่เราควบคุมตันหาอย่างที่พูดค่าวที่แล้วจนกระทั่งถึงดับอย่างไม่เกิดอีกเมื่อมัรเกิดตรงตัดไปถึงเบื้องปลายสุดสำรอกโดยไม่เหลือความทุกข์ก็ดับ จากนั้นก็ตรัสในส่วนของโสตะชิวหาอาคารนาชิวห า, ากายะและมโนถวานในทํานองเดียวกันตรัสไปทีละถวานทีละถวานทีละถวานธรรมะในใจเย็นๆแต่เย็นๆคือถ้าเป็นภาษาเขียนหรืออเรื่องโลกๆเนี่ยเรียนเพียงแค่เพื่อความว่าใจเนี่ยก็คือไปา ย, ยานแล้วก็ไม่ว่านั้นจบแล้วมักจะคํานึงถึงเรื่องเวลานะ กลัวเสียเวลาแต่ในภาคปฏิบัติเนี่ยจะเอาไอ้หลักปียานมาใช้ไม่ได้เลยอย่างเช่นกําหนดลมให้ใจเขาออกเป็นต้นนี้นะต้องกำหนดอยู่นั่นแหละแต่เมตตาต้องแพร่ชอนไปใจมาอยู่นั่นแหละถึงจะดีจะไปนึกปียานไม่ได้ผู้ใชายจาว่าปียานเนี่ยเอาไปใช้กับปฏิบัติไม่ได้ปียานใช้ได้บ้างกับปริยัติล้ลลลวนๆนะ่ะแต่ปริยัติเพื่อปฏิบัติ ปริญญาในในในยากของการปฏิบัติปริยะปริยัติบวกปฏิบัติไปด้วยอย่าได้ใช้ใบยานเด็ดขัดเพราะเราไม่ได้มุ่งแค่ความเข้าใจมันมุ่งให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วยทําให้ปฏิบัติ ด, ด้วยและปฏิบัติและให้เกิดผลด้วยก็จะต้องให้รายละเอียดให้มากนัมรัตุเจ้าท่านก็ก็ตรัสเต็มแต่เวลาออกมาเป็นพระไตรปิดก ออกมาเป็นในทางศาสาเนะี่ยเราคานึงถึงเรื่องอย่างอื่นด้วยเรื่องพิมพ์เรื่องอะไรจ่อะไรด้วยก็เลยไปยานหนักเข้าไปไงเอ่อก็เลยไม่เหมือนอย่างที่พระท่านได้แอบฟังมาทีนี้เมื่อตรัสจบในพระสู่ก็เล่าต่อไปว่าก็สมัยนั้นแหละพิกสุรูปหนึ่งยืนแอบฟังอยู่ ใกล้พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงเห็นภิกษุนั้นแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอได้ฟังธรรมปริยายนี้หรือภิกษุกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ได้ฟังอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเธอจงเล่าเรียนทรงจําธรรมปริยายนี้ ท ร, รมาปริยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งกรมอาจารย์ที่บาลีใชคว่าอธิกมาจารย์ที่เน้นไว้นะฮต้องการอธิบายอาล่ะพระท่านไปทำอะไรใกล้ใก้กุฏิพระวุติจาตอบว่าพระท่านถือไม่ขวาดไปขวาดบริเวณรอบรอบพระคันธกุฏีเป็นการ เป็นอารมิสบูชานะะแล้วก็เป็นการถาวายอุปถาปบพุทธเจ้าเป็นวียวัฏจักที่กระทำต่อพระผู้มีพระภาคก็ถือไม่ขวาดไปเพราะเข้าไปได้ยินเสียงเสียงสวดมนต์แววออกมาพระท่านก็ฟังรู้เรื่องก็เลยถือไม่ขวาดยืนฟังทิ้งงานเลยนี่ถ้าเป็นเราก็ต่อว่ากันแหลกไปเลย ว่าอะไรกันฟังหูก็ฟังมือก็ทำอะไรแต่อย่างนี้พระพุทธเจ้ากับชมนะคนที่ละกิจที่มีประโยชน์น้อยกว่าเพื่อกระทํากิจที่เป็นประโยชน์มากกว่าพระพุทธเจ้าจะทรงชมไม่ทรงตนนําหนิรู้ว่าท่านเทศเจวโมงแล้วก็แอบฟังเจ้ามงฟังด้วยความไม่ใช่ฟังว่าขี้เกียจ น, นะเดี๋ยวจะเอามาอ้าง ไอ้ไอ้ไอ้เลขคนตัณหาเนี้ยฟังเขาเขียนแล้จะไปเอาดีเอาชอบอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าถังคงรู้แหละเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเสร็จพระผู้มีพระภาคนําไม่ได้เตรียมสวดเพื่อให้พิสูจน์รูปนี้ฟังไว้ล่วงหน้าเมื่อสวดจบก็ทรงพิจารณาว่าเออใครหนอได้ยินพุทธประได้ได้ยิน รรมาปริยายนี้บ้างก็แล่ทอดพระเนตรไปเห็นพิสูรรูปหนึ่งอยู่ในระยะใกล้พอจะตรัส ก, กันได้ยินก็จึงถามโดยข้อความด้วยว่าได้ยินหรือเปล่าได้ยินก็ดีแล้วเราก็เลยฝากฝังธรรมะนี้ให้ท่านดูบรรทัด ส, สุดท้ายที่ผมจะอธิบาย เยอะนะครับจากคำว่าธรรมะปริยายเนี่ยคืออะไรความจริงคำนี้นะเราพูดกันเป็นภาษาไทยไปแล้วธรรมะบรญยาย บ, บาลีเป็นธรรมะปริยยะหรือธรรมะปริยายคือธรรมะบัญยายธรรมะบัรยายนี้คืออะไรไอ้เราก็ฟังแล้วก็รู้ว่าคือ การบรรยายทมแล้วก็เลยไปกำหนดกฎเกณฑ์ของคำว่าบรรยายในทางภาษาไทยมาว่าต่างกับปาตกรถาอย่างไงต่างกับอภิปรายอย่างไงต่างกับการพูดในลักษณะอื่นอย่างไร<ม>ก็ว่ากันเป็นแบบภาษาไทยแต่ในภาษาความหมายใ น, าาในาาพาะไตรปิฎกคำนี้มีความหมายสองอย่างอย่างที่หนึ่งคำว่าปายายนั้น แปลตามศั์ว่าทาโดยอ้อมปริยายนี่แปลว่าอ้อมนิปริยายแปลว่าตรงตรงนี้ถ้าแปลแค่นี้แล้วคุณค่าตกเลยทีเดียวทาโดยอ้อมคืออะไรเพราะว่าปริยัติเนี่ยเราเรียนปริยัติที่เราได้ธรรมะ เลยไหมอย่างเช่นฟังว่าได้ธรรมะโดยตรงเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมอ่ะเดี๋ยวจะไม่ชัดเช่นท่านฟังว่าโลภะไม่ดีโลภะละด้วยวิธีนี้ละได้เลยไหมนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขในนิพพานเลยไหมไม่เป็นบุคคลผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันความทุกข์ที่สิ้นไปมากกว่าที่เหลืออยู่ เล็กน้อยเปรียบเหมือนน้ําในมหาสมุทรกับน้ําที่ติดอยู่บนปลายหญ้าความทุกข์เราหมดใจไหมเราเป็นตัวได้บันเลยไหมไม่แต่ไม่ได้อะไรเลยเลยถ้าบุคคนไม่ฟังธรรมะเลยบอกไม่ใช่ได้ตรงนี้แหละครับถึงถือว่าการเรียนปริยัติเนี่ยเป็นธรรมะโดยอ้อมเป็นการได้ธรรมะโดยอ้อมเป็นการให้ธรรมะโดยอ้อม ในแง่ให้ก็ให้โดย อ, อ้อมแล้วให้ตรงก็ไม่ได้แล้วด้วยสิเรื่องให้เนี่ยนะเชียนเราจะเอามักเอาผลมันเที่ยวแจกกันไมนแจกชีตเนี้ยไม่ได้ไม่งนจะทําชนะีตจะทําหนังสือแล้วเล่นแล้วก็ทําเป็นกล่องแบบพกเครื่องนะห้อยมาตัลหลับบอกเอาไปเปิดแง่มไม่ดีนท่านจะได้นิพานจากกล่องเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นปริยัาต์เนี่จึงเป็นธรรมะโดย อ, อ้อม ไม่ใช่ธรรมะโดยตรงคนได้ปริยัตยิมมใ้ธรรมะในแบบปริยัตยิจากการฟังสวดจากหนังสือลื้อหาก็ตามได้ธรรมะโดยอ้อมโดยตรงนั้นต้องปฏิบัติเอาเองถึงจะได้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสแสดงธรรมแล้วมีผู้บรรลุในทีน่เฉพาะพระพักนั้นก็ไม่ได้บรรลุในเขตแดนของปริยัตยิใช่ไหมใช่ได้บรรลุาะ ท่านฟังแล้วท่านปฏิบัติตามจึงได้ธรรมะโดยตรงจากปฏิบัติเองเลยเป็นว่าธรรมะโดยอ้อมเราได้จากคนอื่นได้ต้องได้จากคนอื่นธรรมะโดยตรงนั้นได้จากตัวเราเองด้วยตัวเราเองอีกอย่างหนึ่งคำว่าปริยายแปลว่าเหตุปริยายแปลว่าเหตุธรรมะปริยายจึงแปลว่าเหตุแห่งธรรม เหตุแห่งธรรก็คือเป็นเหตุให้บุคคลได้ธรรมะคือเป็นเหตุให้เกิดปฏิบัตินั่นเองครับคนที่ได้ธรรมะที่ปฏิบัติธรรมะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะปริยายก็ปฏิบัติไม่ได้ไม่มีพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงธรรมคนนั้นก็บรรลุธรรมอะไรไม่ได้แม้ว่าจะมีอาธิปรมอาจารย์ อ, ยอื่นพร้อมมูลก็ตาม เพราะฉะนั้นธรรมะบรรยายนีย่จึงเป็นเหตุของธรรมะเป็นอาธิปุรรมจาจันทร์ไม่มีตรงนี้แลวธรรมะโดยตรงไม่ได้เลยการได้ธรรมะ ม, มีไม่ได้เลยธรรมะที่เราได้ในภาคปฏิบัติถือเป็นผลของปริยัติปริยัติเป็นเหตุเราจึงเรียกการพูดธรรมะว่าเป็นธรรมะบรรยาย เพราะเป็นเหตุเพราะเป็นธรรมะอ้อมได้โดยอ้อมก่อนแล้วจึงได้โดยตรงภายหลังและเว้นเสียจากธรรมะปริยายก็ไม่อาจจะได้ธรรมะโดยตรงได้ด้วยเพราะฉะนั้นแหละพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธรรมะ ปริยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งปรมาจรรั๋ อ, อคงจะพูดได้พูดไปถึงเตี่ยนครึ่งแล้นะธรรมะที่เรียกว่าอาธิพรมจรรัรงอาธิปรมจรรั๋งแปลว่าอาธรริแปลว่าเป็นต้นหรือแปลว่าก่อนนะเหมือนอย่างอาธิกรรมมิคาพิสุแปลวิสุที่ทําก่อนอาธิปรมจรรัรง ก็แปลว่าพรมแปลเขาแปลกันสองอย่างแล้วมใช้ได้ทั้งคู่ครับหนึ่งแปลว่าพรหมจรรย์เบื้องต้นพรหมจรรย์เบื้องต้นอันนี้สมรูปพญานะคแปลจากหลังมาข้างหน้าแล้วก็ได้ความด้วยอีกอย่างหนึ่งแปลว่าเบื้องต้นของพรหมจรรย์ ได้ความเอาความแปลอย่างนี้ได้ก็เลยจะแปลว่าพรหมจารย์เบื้องต้นหรือเบื้องปรุงต้นของพรหมจาร์ก็ได้ด้ยวยกันคือถ้าจะถามว่าที่แปลว่าเบื้องต้นของพรหมจาร์เนี่ยอ่เดี๋ยวต้องพูดถึงคําว่าพรหมจาร์ก่อนโอ้โหนี่พรอาจารย์มีความหมายที่แยบย่ลสัจจะยายเคยพูดแล้วนะ แต่เอาเอาเป็นว่าพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงอะไรเคยได้ยินมาบ้างแล้วไหมใช่ใ่ไหครับพรหมจรรย์หมายถึงอะไรพรหมจรรย์มัคคะพรหมจรรย์ที่เราเคยได้ยินมาแล้วและพรหมจรรย์มีความหมายเป็นอย่างอื่นการเว้นในถึงสมาจารย์หรือไม่ใชพรหมจรรย์ใช่ไหมใช่ การรักษาอุโบโสถศีลเป็นพรมจารีการประพฤติอยู่ในธรรมในข้อตกลงอะไรบางอย่างเป็นพรมจาร์ทีนี้มันมีปัญหาที่ที่เราควรพิจารณาให้ชัดนะให้ให้เห็นความหมายที่พระเจ้าทรงตรัสว่าอาธิพรมจรรีเนี่ยถ้าถามว่าธรรมปริยายที่เรียกว่าอาธิพรมจาร์หรือข้ออื่นๆที่เรียกว่าเป็นอาธิพรมจาร์อีกหลายอย่างเนี่ย มันเป็นมันไม่ใช่โพรมาจรรันแต่เป็นเบื้องต้นของโพรมาจรรันหรือหรือเป็นโพรมาจรรันด้วยเป็นเบื้องต้นของโพรมาจรรันด้วยฟังทันนะจำใหม่ว่าสิ่งที่เรียกว่าอาทิโพรมาจรรันเนี่ย เป็นโพรมาจรรันด้วยเป็นเบื้องต้นของโพรมาจรรันอื่นด้วยหรือตัวเองไม่ใช่โพรมาจรรันเป็นแต่เบื้องต้นของพรมาจรรันเท่านั้นซึ่นคำแปลสองอย่างเนี้ยมันแปลแล้วมันกินความหมายต่อคู้สองอย่างนี้นะคืออย่างที่แปลว่าพรมาจรรันเบื้องต้นก็แสดงว่าต้องมีโพรมาจรรันเบื้องปลายเอาเลยตอบเลยพูดแล้วเดี๋ยวก็ใจสับสนมากว่า การรักษาสีเนี่ยเป็นพรหมจรรย์ไหมเป็นเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นแม้คาพูดจะพูดว่าพรหมจรรย์เบื้องต้นมันก็หมายก็ว่ามีพรหมจรรย์เบื้องปลายและที่แปลว่าเบื้องต้นของพรหมจรรย์ก็หมายก็ว่าพรหมจรรย์อะไรที่เป็นเบื้องปลายตัวเองเป็นเบื้องต้นให้พรหมจรรย์นั้นนั้นก็คือมรรคพรหมเลยสรุปว่าอย่างนี้ครับ อาธิพรมอาจรรย์นั้นคือสิ่งที่เป็นพรหมจรรย์ด้วยเป็นเบื้องต้นให้กับพรหมจรรย์ด้วยพูดแบบขยายความก็คือว่าพรหมจรรย์เบื้องต้นเป็นพรหมอาจา ร, รย์ชั้นต้นเป็นปัใจจัยให้แก่พรหมอาจา ร, รย์เบื้องปลายให้จำเลยอาธิพรมอาจรรย์คือ สิ่งที่เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นเป็นพรหมจรรย์ด้วยเป็นปัจจัยแก่พรหมจรรย์เบื้องปลายก็หมายความว่าคนจะบรรลุพรหมจรรย์เบื้องปลายเนี่ยโดยที่ไม่มีพรหมจรรย์เบื้องต้นไม่ได้คนที่มีพรหมจรรย์เบื้องต้นแล้วไม่ได้พรหมจรรย์เบื้องปลายอาจจะได้เ <c oughs> พราะว่า ไอ้เบื้องต้นเนี่ยบางทีมันก็อยู่แค่นั้นไม่ได้เบื้องปลายอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าไม่ยอมวางมือก็คงจะได้ในลำดับต่อไปนี่เป็นเรื่องของของด้อยคำทีนี้ก็จะมีปัญหาเข้ามาสู่ประเด็นใหญ่ที่ผมอยากจะพูดว่าที่เรียกว่าอาธิพรมอาจา ร, รย์เนี่ยคือธรรมะอะไรบ้างมีอย่างเดียวหรือมีหลายอย่าง การฟังทำเท่านั้นหรือเป็นอาทิพรมอาจารย์เบื้องต้นอย่างอื่นไม่ต้องทําไม่ต้องมีก็บรรลุมรรคผลได้ฟังฟังจนบนรรลุคาที่ไปถึงบรรลุคาที่ก็ไม่ใช่ว่าแค่ฟังมันมีพรหมจรรย์อย่างอื่นคุ้มตัวกันเข้ามาในระหว่างฟังเออตรงนี้นะคงจะยังไม่ได้พูดตอนนี้หรือจะไม่ได้รู้ว่าจะได้พูดตอนไหนว่าคนฟังบรรลุธรรมละเนี่ยในที่ฟังธรรมจิตมันทํา งานกันยังไงไกลไกแห่งพรหมจารย์ทํางานกันยังไงถึงบรรลุอาที่ได้ถึงบรรลุในขณะที่สาธยายธรรมะได้ในในี้ใกล้ๆกันนะอันนี้เราเอาไว้ก่อนอะไรบ้างเป็นพรหมจารย์เบื้องตน้นนี่คือผมจะลําดับสิ่งที่เป็นความจําเป็นที่คนบรรลุมรรคผลได้ต้องมีเนี่ยคืออะไรบ้าง พวกที่ว่าเนี่ยคือผมไม่ได้พูดเองแต่ว่าเก็บเก็บไปจากพุทพจน์นะจะเอาพระสงฆ์พระสูตอะไรมาแจกก็จะมากมายเกินไป <c oughs> เอาละครับให้ให้จดตามเป็นข้อๆไปอาบางบางอย่างมันอาจจะเป็นปรตรรกะฟังแล้วก็ไม่ได้สัตผมอาจจะเขียนประกอบไปด้วยนะ <c oughs> ข้อที่หนึ่งเนี่ย เ้าไปถึงเบื้องต้นสุดเลยบุพพาธิการแปลว่าอะไรแปลว่าการกระทำอย่างยิ่งในการก่อนซึ่งก็หมายถึงอะไรนั่นเองครับอบรมบา ร, รมีไว้นั่นเองสะสมไว้ในแตบาง คือคนเราเนี่ยนะจะบรรลุมรคเนเราไม่สามารถทำเวลาได้ในชาติเดียวจำไม่เลยที่จะมาเริ่มต้นในชาตินั้นแล้วทำให้บรรลุมรคผนเนี่ยไม่มีทางทำทันเด็ดขาดงานบรรลุมรคผนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องสะสมคะแนนกันข้ามชาติไม่มีการศึกษาหรือสิกขาใดที่จะใช้เวลาอย่างเที่ยาวนานอย่างนี้ คนใจไม่เย็นจริงไม่ไม่มีคุณลักษณะที่จะบรรลุอริยคุณในพระศาสนาได้อ่นี่เพิ่งมาทำการนี้หรือเปล่าสายน า, นาเนี่ยม า, าทำมาหลายชาติแล้วใช่ไหมไม่ถือว่าเป็นการอวดตัวนะทำกันมาหลายชาติแล้วแค่ว่าเราจะมาฟังธรรมะเนี่ยเชื่อไหมว่า มันไม่ใช่ของได้ง่ายๆนะนิสัยอย่างนี้หรือจะมาพูดธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ของมาได้ง่ายๆในย่านนี้ไม่ใช่ว่าหยิบใครมามามาทําแล้วจะทําได้มันเป็นเรื่องที่เราต้องสะสมเอาไว้แต่ปางก่อนปางก่อนแล้วลักษณะการสะสมมันเข้มมันงวดมันมันชัดเจนแค่ไหนนั่นก็หมายก็ว่ามันชี้อนาคตนันขอให้รักษานิสัยนี้ไว้ที่ มีมันของน่ารักษานะเรามันึกว่าคนไม่ชอบนี่แหมเราเสียดายแทนมากไม่ชอบฟังไม่ชอบความดีไม่ชอบอะไรพวกนี้นะแล้วเราจะไปทำให้เขาชอบเนะี่ยโอ้อยังไงก็ไม่มีทางทำได้ตามใจประหลานาของเรานะไม่มีทางเลยครับแล้วคนลองชอบเนะี่ยบางทีไปห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่ด้วยถ้าเราจะห้ามแล้วบางคนก็ชอบมากกว่าเรานะบางคนเราก็อาจจะชอบ เท่ากับเขาหรือมากกว่าเขานั้นอย่าอย่ารักษาสิ่งที่เป็นคุณค่านี้ไว้เนี่ยไม่งั้นแล้วก็เรามานันกูถ้าเราไม่ได้ฟังทำเราไม่รู้ธรรมะเนี่ยไอตอนถ้าไม่รู้ถ้ามันก็ไม่ได้คิดเสียดายนะแต่พอรู้ข้าก็ไม่ได้คิดเสียดายเหมือนไอของอะไรที่มันหลุดมือเรามันรู้กล้าดีหลังเนี่ยเราเสียดายไอบางคนนักหนันงสือเก่าช่างกิโลขายไปแล้ว ตอนหลังมาเรียนธรรมะเขามารู้โอ้สัมีดีๆแล้วนะหาไม่ได้อีกแล้วช่างกิโลขายไปเล่มละถึงบาทว่าไม่รู้โอ้ยนั่งเสียดายเหนือแตกเลยไม่รู้จะทํายังไงได้คืนอย่างนี้ยังตายๆกันบางคนมันมีนมีมีนิสัยแต่ว่าแหมมันหาที่ลองรับนิสัยไม่ได้เรเหงาไปวันๆเราไม่รู้จะไปหาที่ฟังที่อ่านที่ไหนบางชาติเราเป็นอย่างนั้นนะข้อสอง ตีเหตุกาปฏิสนธิเนี่เข้ามาสู่ชาตินี้แหละตีเหตุกาปฏิสนธิคือปฏิสนธิด้วยเหตุสามขาดถ้าเหลือสองเหตุแล้วไม่มีทางจะบรรลุได้แม้ว่าบุพการจะทำมาอย่างไรก็ตามแต่บังเอิญมาเกิดเป็นเรขาชาติหรือเกิดเป็นคนปัญญาอ่อนคนไม่มีใครเหตุ จิตอ่อนเรียกฐานรับปัญญามันอ่อนเหมือนสร้างเรือนในที่หล่มเลนต้องไม่สามารถที่จะสร้างตึกบนนั้นได้ข้อต่อไปข้อสามอินซีแก่รอบอินซีแก่รอบ ข้อนี้ก็หมายของเวลาพระพุทธเจ้าจะทรงโปรดสัตว์คาจริงพวกทิ่พร้อมเนี่ยมีแต่เวลาระยะของการบรรลุของคนอินทรีย์แก่รอบหมายถึงนี่คืออุปนิสัยหรือความคุมตัวกันเข้าขององคุณของความบรรลุธรรมเนี่ยมีหรือยังตัวนี้คือ พื้นฐานอีกข้อหนึ่งถ้าใครแก่รอบก็ไปติดขายพยายามของเราดยนี้เราก็ไม่มีใครแบดขายเราก็หาขายกันเอาเองก็ไปพยายามทำแล้วก็ไม่รู้แกไม่แกก็ทำก็ไว้ก่อนเราก็ไม่ได้หวังจะบรรลุ ก, กันชาตินี้เสมอไปนะข้อสี่มุเรีนซีแก่แล้ว หลายขั้นในอินทรีย์แก่มาก่อนที่วุฎิจยาจะตัสัูวและทําไมไม่ได้ตัดสัูวเพราะว่าไม่มีสัพ บ, บุรุษให้คบข้อสี่จึงสัพภุริสูภาษังเสวะสัพภุริสูภสังเสวะคบหาสัพ บ, บรุษเลือดหลายอย่างเยอตรงนี้สัพ บ, บุรุษหมายถึงใคร หมายถึงผู้ที่มีอุบายวิธีมรควิธีเพื่อความบรรลุธรรมอยู่กับเขาคนนั้นเป็นสัตว์บุรุษเพื่อประโยชน์อันนี้ถ้าเราไม่ได้ไปคบคบหมายถึงเข้าไปนั่งไกลเป็นคบค้าสมาคมเขาไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายขวนขวายไปหรือเขบคืนฝ่ายขวนขวายมาทั้งสองอย่างเนี่ยนะหรือทั้งสองฝ่ายมาเจิงคลื่นทางมีตั้งนั้น ในสมัยนะ้นก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้เหตุแห่งการบรรลุเหตุที่ห้าคือสุปสัมปทาธรรมสวระนะการสะดับตรับฟังธรรมน่าแปลกว่าอย่างสมัยพพุทธเจ้าเนี่ยบางคนเนี่ยท่านให้เข้ามาคบกันคบก่อนแต่ว่ายังไม่ แสดงธรรมอาจจะแสดงเรื่องอื่นแล้วยังไม่แสดงธรรมส่วนที่จะบรรลุได้หรือบางคนก็ยังไม่แสดงอะไรจนขว่าจะถึงการอันเหมาะสมนะก็คบเลี้ยงศรัทธาทำไว้ก่อนร อ, อเวลาคือบางคนเนี่ยท่านก็แสดงแล้วกลาวว่าแสดงแล้วต้องบรรลุเลยเพราะว่าคนบางคนก็ต้องการจะบรรลุฟังธรรมแล้วจะบรรลุเล ย, ยนะฟังกันแรกบรรลุเลย บางประเภทบางประเภทก็ทรงแสดงเรื่องอื่นแต่แสดงในขั้นว่าเป็นประโยชน์แก่การพบค้าได้ได้พื้นฐานอย่างอื่นก่อนแล้วจึงมาแสดงทิ้งทวนบางทั้นก็แสดงเป็นสองขยกักสามขยกักอย่างเช่นโปรภยศยังสองขยกักใช่ไขยักแรกก็โสดาขยักหลังก็เป็นอรหันต์บางทั้นแสดงทีเดียวเป็นทั้งสี่บางทั้นแสดงขยักแรกก็ยงังแค่เปลี่ยนอะไรบางอย่างสร้างพื้นฐานก่อน และแสดงอีกครั้งหนึ่งงบรรลุอ่ะทีนี้ห้าหกสีละสัมปทาเจ็ดทิฏฐิสัมปทาอ่ะแล้วก็พูดถึงแปดไปด้วยและอธิบายให้เห็นร่วมกันปาทกาชาญ หรือจิตกรบสมัมมาตาามข้อตรงกลางนี้ศีลการฟังธรรมกับศีลเนี่ยใครมาก่อนก็ตอบอย่างนี้ครับอาอาจะบอกว่าบางคนเขาก็มีศีลมีอะไรมาก่อนเม่ใช่หรอแต่ถ้าเป็นขั้นจบะบรรลุเนี่ยนะศีล น, นั้นต้องเป็นศีลที่เป็นอธิศิษย์ศิษย์ศกลาคือรักษาอย่างสอดคล้องกับการปฏิบัติ และการบรรลุรักษาเพื่อการปฏิบัติและเพื่อการบรรลุอาทิสีนจึงเป็นของไม่มีภายนอกสีนหน้าเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันนะครับสีห้ารักษาอย่างโลกโรรักษาหรือเหมือนอย่างรักษาอย่างไรก่อนอันหนึ่งไม่เป็นอาทิศีนแต่สีห้าที่เราไปสมาทานในการปฏิบัติเป็นอาทิสีจุดมุ่งหมายอะไรแต่อะไรมันเป็นตัวทาให้สี น, นั้นได้ระดับ เจตนาจุดนุ่งไม้อะไรแต่ไรสิ่งอันตรอนี่เพราะฉะนั้นศีลนั้นจริงเป็นของตามหลังมากับการฟังฟังธรรมะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยองค์พระเจ้าเกิดขึ้นที่สันตัตในพระติปิถกเล่นก้าวแทบจะั้งเล่มบุระบุได้ฟังธรรมะที่ราสถาตแสดงแล้วก็เลื่อมสายเมื่อเลื่อมสายแล้วก็ออกบวชไม่ไมีศีล เป็นสีที่เป็นอาธิศีห์ติขาทีนี้เมื่อบวชมีสีแล้วไอ้ตัวนี้อาจจะใครมาก่อนมาหลังได้ทิศทิความเห็นความเห็นตรงนี้หมายถึงความเห็นที่เป็นอาธิพรหมจัน์อย่างในสูตรเนี่ยเห็นชัดว่าสูตรนี้แสดงให้ความเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใครเป็นอนัตตาเกิดจากเกตจากปัจจัย แม้ไม่พูดวาาตาสักคำแต่มีความหมายทาให้เข้าใจในสารวายานีและคนที่เข้าใจเรื่องเหตุผลอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นสัตสตาทิฏฐิว่ามีอันตาเป็นเจ้ากิจการทำอะไรตามใจชอบแต่ต้องเป็นไปตามเื่อนไขขเหตุปจัจจัยและไม่เป็นอุนเฉททิฏฐิเห็นว่าขาดศูนย์ใช่ไหมเพราะเหตุปัจจัยมันมีอยู่ ว่าคน อ, อนี่เพราะตัณหาแบบนี้เราถึงต้องเกิดอะไรเงี้ยมันไม่ไม่คิดว่าดับสูงและคนที่คิดเห็นว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยจึงมีเกิดแต่ไม่ใช่ตัวตนความเชื่อเรื่องกรรมเกี่ยวไหมเกี่ยวพบนี้ชาตินี้ชาติหน้าเกี่ยวหนทางที่ผู้จะปฏิบัติเพื่อทำลอกกิเลสมีอยู่ในนี้สายดับนี้สายเกิดนี้เลยคิดทิ วัตถุที่ถูกต้องติดอย่างเนี่ยครอบรวมหมดอันยิ่งบอกว่าทิฏฐิสัมปทาอันเป็นหาที่รมอาจารยเนี่ยจึงหมายถึงความเห็นชอบสิ่งอย่างนี้ยกเอาข้อนี้หรือความเห็นอย่างอื่นก็มาอธิบายสงเคราะห์ลงไปได้ซึ่งทิฏฐิอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านีไม่ได้รรมมขเดข้าใจไม่ได้ นี่เป็นข้อสงวนเลยนะทีนี้เรามาพูดถึงว่าศีลกับทิฏฐิเนี่ยใครมาก่อนกันศีลอย่างของเราทิฏฐิอย่างของเราใครมาก่อนกันอันนี้อาจไม่แน่ทิฏฐิมาก่อนก็ได้ทิฏฐิสมัชชานี่ยยาวอาไปปนกับทิฏฐิที่สุดที่ในวิปาาัสสนาญาหรือทิฏฐิของพระโสดาซึ่งเป็นเบื้องปลายนะเป็นท่ามกลางในเบื้องปลายหมายถึงทิฏฐิที่สําเร็จจากทฤษฎีอย่างนเนี้ยเนี่ย ฟังทฤษฎีที่เกี่ยวกับการล้างทิศเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเป็นรายพระองค์นี้อะไรมาก่อนศีลมาก่อนภิกถีมาที่หลังทำไมถึงว่าศีลมาก่อนเพราะท่านบวชด้่นก่อนแล้วทิศถีมาที่หลังถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยเราลา ง, งานสามเดือนไปบวชอะไรมาก่อนศีลมาก่อน แล้วถึงไปเรียนธรรมะเรียนเรื่องวิปัสนาภูมิอะไรอะไรที่หล่งพิถีจึงมาภายหลังแต่ถ้าถามว่าที่สี่จะศีลใครสร้างได้ยากกว่ากันอันนี้แต่ละคนอ่านไม่เหมือนกันบางคนความเห็นถูกทุกอย่างแต่ศีลรักษาไม่เคยจะได้อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมบางคนเนี่ยแมสติลาจารวัฒนงดงามแต่พอพูดออกมาเขียนแลออกมาเนี่ยโอ้ความเห็นผิดเป็นปลุกๆลเลยใช่ไหมฮะ ทีนี้เวลาคนไปเลื่อมใสหรืออะไรเนี่ยหรือแม้แต่ตัวเองเนี่ยเราไม่คิดจ้องจําระในสองดาง่านว่าในแง่ศีลอยาาไปปนกับที่ตีนะในแง่ที่ตีอย่าไปปนกับศีลทุกคนละส่วนกันมันอาศัยกันได้ถ้าเราแยกอย่างนี้เราก็แยกเลือกให้คะแนนแยกเลือกตัดคะแนนได้ว่าอ๋อคนนี้อ๋อคนนี้อย่างนี้งนี้เราแยกขูดบัวไม่จําน้าไม่ขูดและแยกให้คะแนนตัวเอง แยกควบคุมตัวเองได้และต่อไปก็คือปาทักกาชานที่ใช้คาว่าปาทกกาชานหรืออธิคิตติกคาก็ได้เนี่ยก็แปลกน้นะหมายถึงชานที่เป็นบาทคือถ้าพูดให้เต็มเลยว่าวิปัสนาปาทักกาชานชานที่เป็นบาทแกวิปัสนาการเข้าฌานทำสมาธิเพื่ออย่างอื่น ไม่ใช่ของสูงอย่างพวกฤาษีอีพราก็ทำได้ฌานมาก่อนเนี่ยไม่ใช่เป็นของสูงแต่พอฤาษีฮีพรเข้ามาบวชมาทำความเข้าใจเรื่องอัตตาหน้าตาใหม่และเข้าฌานเพื่อทำวิปัสสนาตัวเองรู้เลยว่าฌานนี้ไม่ใช่ของประเสริฐอะไรไม่ใช่เข้าเพื่อเข้าฌานเพื่อฌานแต่เข้าฌานเพื่อวิปัสสนา ค่ามันก็ถูกโยนออกไปนอกตัวซึ่งอันนี้ก็ถ้าว่าโดยธรรมดาก็เป็นโด ย, โดยลาดับอย่างนี้บางคนได้ฌานมาก่อนก็ยังไม่เป็นปาฏิกานะมีศีลโดยบวชเป็นสมณะกีรามิกายอื่นมาก่อนก็ไม่ใช่ศีดในนี้ทิฏฐิ ท, ที่ถูกต้องที่เป็นเรื่องอื่นไม่ใช่ทิฏฐิเกี่ยวกับบาตรวิปัสสนาก็ถือเป็นเรื่องข้างนอกอ่นี่ข้อแปด แหม่เนี่ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อแปดเนี่ยก็เรื่องเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นนะฟังฝังง่ายทำยากโดยเฉพาะข้อแปดเนี่ยแทบจะยอมเลยสอบตกแค่นี้ข้อเก้าต่อไปอะพินยย์อ ย, ย่ทาทำตัวนี้ก็คือนามรูปหรือวิปัสสนาภูมิที่จริงข้อนี้เนี่ย จะสงเคราะห์รวมเป็นในของข้ออื่นก็ได้แต่ว่าผมเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยแยกออกมาข้อที่สิบคือวิปัสนาภาวนาที่ใช้คำว่าภาวนาเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทําขึ้นมาจะบรรลุมรรคผลได้อาศัยวิปัสนาตัววิปัสนาอาพินใจธรรมนั่นคืออารมณ์ของวิปัสนาตัวอารมณ์ตัวนามรูป เป็นของจับคู่มากับวิปัสนาวิปัสนาต้องมีอารมณ์อารมณ์ของวิปัสนาต้องได้ด้วยวิปัสนาภาวนาและสิบเอ็ดอุปยโกสมแปลว่าความฉลาดในอุบายนี่เป็นเป็นของที่จะต้องเกี่ยวกับการบริหาร วิปัสนามาตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเลยอุบายนี้ไม่ใช่ตัววิปัสนาโดยตรงนะเป็นตัวแก้ขัดแก้ข้อขัดข้องของวิปัสนาเป็นตัวเสริมความสะดวกแก่วิปัสนาอุบายมีอะไรบ้างนั้นเรื่องใหญ่อา้าวลองยกตัวอย่างสักอย่างที่ว่าเช่นอะไรเป็น วิปัฒนาอะไรเป็นอุบายยกตัวอย่างว่าในขณะที่บุคคลกำหนดนามรูปอยู่นามรูปเป็นอภิเยยธรรมตัวกำหนดเป็นวิปัฒนาภาวนาเมื่อกำหนดนามรูปแล้วก็ปรากฏว่าศรัทธาตกความเพียรตกบุคคลนั้นก็จึงละการกำหนดชั่วคราวพิจารณาถึงความเกิดแก่เจ็บตายทุกใ น, นรก หรือศาธตรยายทมในสูตรที่ตัวเองเรือมใส่คนนี้ที่ทำอย่างนี้ในกรณีอย่างนี้ถือว่าทิ้งยื้ปัสนารึเปล่าละเลยการปฏิบัติไม่ใช่เขาทำอุบายเรื่งการกระทำนอกเรื่องใดการหยุดยิปัสนาชั่วรั้งใดที่เป็นไปในอุบายถูกอย่าไปว่าเขาไม่ใช่เรื่องนอกลีดนอกทาง แต่ว่าถ้าทําอะไรทําไปโดยไม่มีเหตุผลเลยเลยตึองอยากจะอยู่ก็อยู่ตึองอยากจะเสือก็สืออย่างนี้แม้การจะทํานั้นจะเป็นอย่างคนที่มีอุบายก็ทำก็เป็นการทําอย่างคนไม่มีอุบายที่ว่าไม่มีอุบายอย่างนี้เป็นต้นนะและมีอบายอย่างอื่นอีกเป็นหลายอย่างเลยเป็นว่าคนเนี่ยเวลาทําอะไรอะไรตอบผ่านมาได้หมดแล้วเนี่ยนะ ถ้าไม่มีอุบายดีเร่องเดียวนี่ยนะอาจารย์ไม่ฉลาดในอุบายตัวเองไม่ฉลาดในอุบา ย, ยาเดี๋ยวบางทีตันนะก็มาบ่นหัวเองหลักการเข้าใจทําก็ทําเต็มที่แต่ทําไมไม่เห็นได้อะไรทําไมมันถึงแก้ข้อติดขัดไม่ได้ทําไมมันถึงเงียงวัวอย่างนี้แล้วเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องยากกว่าหลักอีกเพราะอะไรเพราะหลักเนี่ยยังไงมันก็มีข้อจํากัดไม่ไม่ไม่มั่นนะ แต่อุบายนี่เป็นเรื่องไม่รู้จบแช่นะอุบายนี่มันเป็นเรื่องเกิดขึ้นจากไอ้กรณีเงื่อนไขเฉพาะคนเราเนี่ยเราเหมอะแกอุบายบางทีเรายังไม่รู้เลยเรามีเงื่อนไขบางทีเราไม่รู้แล้วไปได้อาจารย์ที่ไม่รู้ก็เข็นเี้อยู่อย่งนั้นนะครับก็ก็ไม่บรรลุอะไรไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรแต่ว่าถ้าเราไม่รู้อาจารย์เขารู้แต่ถ้าเรารู้แล้วอาจารย์ไม่รู้เราไปบอกอาจารย์รู้ ให้รู้อาจจะโดนเหม่นก็ได้นะฮอาจจะต้องไปแอบแอบทํบาุทีอาจารย์อาจจะบอกแล้วมันมันใช้ไม่ได้ดีบางคนก็รู้ดีอาจารย์ก็มีนะอาจารย์บางคน่ะเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้อาจารย์จากตําราจากพระไกรบิดกเขารู้เออรู้ตัวเองด้วยเขาบอกอีต้องทําอย่างนี้อาจารย์บอกทำอย่างนี้เลยไม่ตรงกันเราควเลือกว่าเราจะเอาเอาธรรมะหรือเอาหรือทดลองตามที่อาจารย์บอกบางทีก็อาจจะแบ่ง กันคนละท่อนคนละส่วนสิบสองสุดท้ายเ อ, อโหรุนพอดีครับคลัมมจริยานุเคราะห์คลัมมจริยานุเคราะแปลว่าเออไหนใครจะแปลให้ฟังสักท่า้นึ่งดิคลมมัจคลัมมัจริยานุเคราะน่าจะแปลว่าอะไร เครื่องอนุเคราะห์ลมจันทร์ที่เป็นเครื่องอนุเคราะห์ลมจันทร์ยกตัวอย่างที่คนจะปฏิบัติกรรมฐานบรรลุมรรคผลได้ไหมถ้าหิวโซไม่มีอะไรกินไม่ได้ปัจจัยสี่มีเป็นหลักเครื่องอนุเคราะห์ลมจันท์ อันนี้มันเหมือนไม่เกี่ยวนะแต่ว่ามันเกี่ยวนะแล้วก็พวกสัปปายะพวกสัปพายะเนี่ยแล้วก็มันก็พวกหลายๆอย่างอันอันส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับปัจจัยสสัปปายะเป็นเรื่องอนุโลมลมใจจังสิ่งเหล่านี้หยิ่งหยิมมากอ่ะทีนี้มาดูนิดหนึ่งนะครับว่าทั้งหมดเหล่านี้อะไรเป็นส่วนภายใน ข้อหนึ่งถึงข้อสามเป็นส่วนภายในส่วนหนึ่งข้อสี่ข้อห้าเป็นส่วนภายนอกปัจจัยภายนอกถึงเมื่งทีเรียกสองอย่างรวมกันว่าปรโตโกสัรวมทั้งบุคคลและทาที่แสดงจากบุคคลนั้นข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดของนอกของใน ให้คุณเข้าฌานแล้วผมก็ยืนยันคุณไปใช้ได้ไหมคุณรักษาสีแล้วผมขอเช่าสีคุณไปใช้สักสามเดือนไม่ได้เป็นของที่เจ้าตัวต้องทำเองและเอามาใช้เพื่อประโยชน์ตัวให้เองเท่านั้นจึงเป็นของภางยในอภิญญยธรรมเป็นของทั้งในทั้งนอกคืออารมณ์กรรมฐานเนีย่ยภายในก็ได้ไปนอกก็ได้ ไปหิทาวาอาชาตังวานั่นแหละเวลาบรรลุแก่นแจ้งก็แทงตลอดทั้งในข้งนอกข้อศึกเนี่เป็นของภายในตัวภาวนาเนี่ยอารมณ์ข้างนอกได้ข้างในได้แต่ตัวภาวนาต้องเป็นของภายในของคนนั้นเองสำหรับอุบายโกศลเป็นของข้างในบ้างข้างนอกบ้างลัมมจริยานุเคราะห์นี่เป็นของข้างนอก แล้วก็ที่จริงจะขอสรุปที่สอนท้องกระบาศูดหน่อยอย่างเช่นตีเหตุกกาปฏิสนธิเนี่ยในพระสูตรบางทีท่านเรียกว่าวิปากาวนคือไม่มีวิปากาวนคนที่ปฏิสนธิเสียชื่อว่ามีวิปากาวนวิบากกรรมนาเกิดเนี่ยจะนกกรรมวิบากคือวิบากมันจะนกกรรมนำเกิด พิปากาวรนตามขนาดสูตรเป็นต้นเรียอย่างนั้นแล้วก็อินทรีแก่กล้าอาทิมุตแนวโน้มในในความหลุดพ้นอย่างในพระสูตรว่าผมก็อาจจะเคยเอามาแจกอะไรบางแล้วน่ น, นะเช่นตรัสว่าบุคคลประกอบบิดกัมมาวรนกิเลสาวรน วิปากาวรไม่มีศรัทธาไม่มีจันทะมีปัญญาสามโงกเขาเป็นผู้ไม่ควรอย่างลงสู่นิยามมันถูกต้องคือมักในบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ไม่ควรบรรลุอธิอมุติเนี่ยตรงนี้มันกว้างว่าในทั้งในส่วนส่วนลบก็คือพวกกิเลสกิเลสสาวรวิจาริชฌ์เนี่ยนะไล้แรงอิเลสาวรแลวก็ ในส่วนบวกก็คือเช่นไม่มีศรัท ธ, ธาไม่มีความเลื่อมใสที่จะมาฟังอะไรเงี้ยเป็นเรื่องอธิมุตต์ตับุริสูปสังเซวากับสุตาสมัมมทานนั้นคือปารโตโคสะเรียกคู่กันก็เรียกสุดท้ายสองข้อเนี่ยครับเป็นของจําเป็นทุกเมื่อเอางี้แล้วกันชาเนี่ยงใช้เป็นบางครั้งใช้เข้า ออกแต่การแล้วก็ทำวิพัฒนาต่อแต่ข้ออุบายโกโสศนกับปรมาจรรย์เนี่ยตั้งแต่ว่ายังไม่ได้อะไรเลยยังถึงจะได้อะไรขึ้นไปขึ้นไปเป็นของจมเป็นทุกเมื่อที่าบางทีก็เปลี่ยนอุบายนี่ทีมาไว้นี่ทีไปเรื่อยๆแม้เรื่องสัปะยะก็เช่นเดียวกันมาถึงบัดนี้ก็รู้สึกจักร้อนเป็นกำลัง สี่ร้อนไม่ใช่ร้อนว่าจะปฏิบัติไว้แล้วทั้งสิบสองข้อสิบสองข้อก็เลยจบเอาเป็นแบบหลักๆนะส่วนไอ้รายละเอียดต่างๆเนี่ยว่าจริงๆต้องพูดกันเป็นเรื่องเฉพาะถึงจะเก็บความได้ค่อนข้างวิสายแล้วประสูตรนี้ก็จบเท่านี้ตามหน้าก็จะขึ้นสูตรสืบต่อไปอีก